ท่านวิโยคาวาจอรทั้งหลาย <c oughs> สำหรับคืนนี้ก็มาซักซ้อมกันเรื่องของมประสดาบันต่อไปอการที่จะปฏิบัติเข้าถึงความประสดาบันนั้นก็ได้กล่าวมาแล้วว่าถ้าหากว่าเป็นมีใสัยของว่ะด้านพุทธาจริตอันนี้เป็นของไม่ยาก เาะเป็นความเข้าใจง่ายๆเป็นแต่เพียงบอกว่าท่านจงมีความพอใจเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในประธรรมเคารพในประสงค์โดยเหตุผลไม่ใช่แต่สักตว่วจะยอมรับนับถือด้วยที่โมฆะศรัทธาใครเขาบอกว่าดีก็ดีตามเขาไม่ได้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาแบบนี้ใช้ไม่ได้ ได้ก็บอกว่าถ้าพระพุทธเจ้าดีดียังไงเรามานั่งพิจารณาความดีของท่านดูนั <c oughs> ้นดีจริงตามนั้นไหมถ้าดีจริงตามนั้นเราก็ยอมรับนับถือสําหรับพระธรรมสําหรับพระสงฆ์สีงเช่นเดียวกันใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาสําหรับท่านที่มีพุทธเจริตจิตประกอบบริความเฉลียวฉลาดท่านบนนี้ไม่ต้องอธิบายมาก นี่สำหรับท่านที ja ah ja ่มีใจติตอื um ่นแล้วก็ต้องคุยกันมากสุกหน่อยอกอทั้งนี้ไม่ได้โทษว่าท่านทั้งหลายจะเป็นคนโง่ความจริงถ้าว่าท่านทั้งหลายโง่จริงๆท่านก็ไม่ยอมเข้ามาปฏิบัติพทำคําสั่งสอนเข้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความจริงพวกท่านก็เป็นคนฉลาดอยู่แล้วแต่ถ้าว่า อาจจะฉลัดไม่ละเอียดพอก็ได้ที่ต้องพูดมากอย่างนี้ก็กันเข้าไว้ไม่ใช่อยากคิดว่าพอพูดให้ฟังท่านนั่งไหลไม่เข้าใจที่พูดอย่างนี้เป็นเพียงกันไวเผื่อว่าท่านจะไม่เข้าใจเะว่าท่านั้งหลผู้รับฟังเข้าใจกันมาแล้วก็ต้องขออภัยด้วย คิดว่าเป็นการช่วยสงเคราะห์บุคคลที่ยังไม่เข้าใจตอนนี้มาดึงดันในด้านการปฏิบัติถึงความดีของจิตเพื่อจะเข้าถึงความเป็นมรรสดาบันก็มีจุดหนึ่งที่เรียกว่ามรคแปดมรคแปลว่าหนทางมรคท่านบอกว่ามีองค์แปด คือว่าองค์เป็นเครื่องตัดตรูเข้าถึงความดีหรือทางที่เป็นการเข้าถึงความดีมีแปดอย่างหนึ่งได้แก่สัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบคาว่าเห็นชอบในที่นี้เรียกว่าเห็นอริยสัจสี่ได้แก่เห็นว่าการเกิดมันเป็นทุกข์ แล้วสิ่งที่จะทำให้เราเป็นทุกข์เก็ได้กับเป็นตได้กับปัญหาคือความทยานอยากถ้าเราจะดับทุกข์เองได้เราก็ต้องดับปัญหาเมื่อดับทุกข์ได้แล้วกิจยาที่จะพึ่งเขาดับทุกข์ให้ได้ก็ได้จะมรรคได้จสินสมาธิปัญญา <c oughs> นีท่านว่าว่าอย่างนี้รู้สึกว่าจะสูงเกินไปสําหรับท่านที่ปฏิบัติเพื่อพระโสูดาปฏิมัครประสดาปฏิผลสําหรับประสูดาปฏิผลผมมีความเข้าใจว่าสมาธิฐิตัวนี้เอ่เป็นตัวปัญญาที่เรียกว่าปัญญาหินชอบก็หมายความว่าใช้ปัญญาพิจารณาคุณพระรัตนาตรัยทั้งสามราการ พิจารณาความดีของพระพุทธเจา้าพิจารณาความดีของพระธรรมพิจารณาความดีของพระอริยสงฆ์ว่าท่านดีจริงไหมแล้วก็มาพิจารณาคําสอนตอนหนึ่งที่เรียกกันว่าสกายะทิฏฐิที่ประพุทธโดาบันเข้าถึงจุดอ่อนในกานึกถึงความตายเป็นอารมณ์ คิดว่าที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าความตายเป็นของเที่ยงชีวิตเป็นของไม่เที่ยงอันนี้จริงไหมสมาธิถิใช้ตัวปัญญาตัวนี้เข้าไปเจรณาแล้วก็เห็นว่าความตายมันเป็นของเที่ยงจริงๆชีวิตของคนไม่เที่ยงเพราะมันมีความเสื่อมแล้วก็มีการสลายตัวไปในสุดถ้าชีวิตมันเที่ยงความตายมันก็ต้องไม่เที่ยง ถ้าคนเกิดมาแล้วไม่รู้จักตายที่อย่างเดียวทั้งเจ้าความตายมาจากไหนแต่ด้ว่าที่พระพุทธเจ้าทั้งกล่าวว่าคนและสัตว์เกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นเราก็จะเห็นได้ว่าคนที่เกิดมาก่อนหน้าเราเท่าไรตายไปไม่ไม่เหลือแล้วูโบย่าตาทวดญาติผู้ใหญ่ของเราแล้วบุคคลที่มีความสําคัญในประวัติศาสตร์ เราได้ยิงกันได้ชื่อแล้วก็มีส่วนใหญ่แม้แต่ชื่อก็ไม่ปรากฏเป็นแล้วว่าท่านหลายเหล่านั้นตายหมดตายแม้แต่ร่างกายก็ตายชื่อก็ตายนี่ถ้าเราใช้ปัญญาตัวนี้เราเห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวจริงเราก็มีความไม่ประมาทในชีวิต มีจิตคิดยุงว่าถ้าเราจะตายก็ต้องตายอย่างคนดีเมื่ออยู่อยู่อย่างคนดีคือคนมีศีลมีธรรมเป็นคนมีพรมิหันสีย่อมเป็นที่รักของบุคคลในสัตว์ทั่วไปเมื่อเวลาเราอยู่เราก็มีความสบายใจเพราะเรามีมิตรมากมีเพื่อนมากเมื่อความสุขใจในสมัยที่มีชีวิตมีอยู่ตายไปแล้วแล้วก็มีความสุข เมื่จิตใจเมื่อเป็นมนุษย์มันเป็นความสุขไปไหนมีแต่คนรักคนเมตตาคนสงสารมีแต่เพื่อนหาศัตรูไม่ได้จิตใจก็มีความสุขแต่นี้เมื่อตาหากว่าตายไปแล้วไอ้ใจดวงนี้นะ่ะมันไปสู่พบสู่ชาติถ้ามันสุขไปจากโลกนี้ตายไปแล้วไปอยู่ที่ไหนมันก็สุขเพราะมันก็แบกความสุขไปด้วยนี่สัมมาทิฏฐิตัวนี้ จึงมีปัญญาเข้าประหัดประหารโลภะความโลภเห็นว่าความโลภการยื้แย่งทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเป็นปัจจัยให้เกิดโทษคือมีศัตรีมีสตรูละตัวนี้เสียพันหน้ามาให้ทานแทนให้ทานการสงเคราะห์เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขคือมีเพื่อนมากมีคนรักมาก แล้วเราก็เห็นโทษถึงความโกรธความเจ็บบาดว่ามันเป็นของไม่ดีสู้เราเจริญพร ม, มีหารสี่จิตใจชุ่มเชื่อไม่ได้เรามีความสุขและเราก็ไม่เมาในชีวิตโดยที่เราจะคิดว่าทรัพสมบัติทั้งหลายทั้งหมดที่มันมีอยู่มันจะต้องอยู่กับเราตลอดการตลอ ด, อดอสมัยไม่เป็นเช่นนั้นความจริงเรากับมันต้องพัดตรากจากกันแน่ ถ้ามันไม่พัด ก, กับเราในในสมัยที่มีชีวิตอยู่มันก็พัด ก, กับเราในสมัยที่เราตายไปแล้วยังไงยังไงมันกับเราก็ต้องตายจากกันต้องพัดผ้าจากกันนี่จัดว่าเป็นสมาธิทิฐิ ต, ตัวตนนว้นทติอง์สมเด็จพระทศพลกล่าวว่าท่านดีเข้าถึงความเป็นเบโสนดาบันได้ต้องทรองอารมณ์นี้เป็นดับแรกหน โดยการดีสองสัมมาสังกัปปะให้กล่าวว่าดำริชอบคือท่าอธิบายไว้ว่าดำริจะออกจากกรรมาคนหนึ่งดำริในอันที่จะไม่พยาบาทหนึ่งดำริในอันที่จะไม่เบียดเบียนหนึ่งอันนี้ตรงชัดคําว่าดำริมาเรื่งความคิด เราคิดไว้เสมอว่ากามมาคุณเป็นโทษคํคำวากรมมาคุณนี้ไม่ได้หมายถึงว่าการเสพกามในฐานะระหว่างสตรีกับผู้ชายบริกรสตรีเสมอไปคําว่ากรรมแปลว่าความใคร่อยากจะได้น่นอยากจะได้นีอยากจะได้นั่นอยากจะมีสามีอยากจะมีพรนยาอยากจะมีบุตร ไอ้ตัวอยากอยากแบบนี้นี่มันสร้างความทุกข์ยากมากเท่าไรเหนื่อยมากเท่านั้นเพราะอย่าต้องตะเกียร์แต่กายหาสิ่งที่เราอยากมาให้ได้ฉ้นก็เลยคิดว่าถ้าเราอย่าปล่อยให้มันอยากแบบนี้ตลอดไปเราก็จะมีแต่ความทุกข์เราก็ลดความอยากคืออยากจำกัดอยากหามาได้ด้วยสัมมาชีวะแล้วตอนกาลัง ไม่ทะเยอที่ยานก้าวไกลเกินไปมีทุนอยู่ร้อยบาทถ้าไปเริ่มดำเนินกิจการงานแสนบาทมันก็หนักอยู่ถ้าแล้วก็พิจรารณาก่อนว่าสิ่งใดถ้ามันไม่เกินมีสัยของเราไม่ทำใจให้ลาบากไม่ได้เกียรติกายมากเกินไปแล้วปฏิบัติตามนั้นได้น้อยใช้น้อยแต่ก็มีความสุขใจ ไม่ต้องไปห่วงใหญ่ว่าเจ้านี่จะมาทวงมาถามจะถูกฟ้องล้องล้มละลายใยก็เป็นสุขอีนหนึ่งท่านบอกว่าดําริในอันที่จะไม่พยายามบัดถือไม่จองล้างจองผานคิดว่าการพยายามการจองล้างจองผนันมันเป็นภัยสร้างความเล่าร้อนให้เกิดขึ้นกับจิต ว่าอะไรเพื่อคนนี้เราคิดจะฆ่าจะทำร้ายเขาเนี่ยเขายังไม่ทันจะรู้ตัวเป็นเมื่อกณนที่เราคิดอยากจะฆ่าเขาอยากจะทำร้ายเขาใจเริ่มไม่สบายแล้วบางทีก็กินไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยหลับเพราะความโกรธความเย็นบาดมันเผาใจคิดว่าเราจะวางแผนแบบไหนจริงจะทำร้ายเขาได้ ลึกล่างใก้เขาวินาศไปได้ใจมันไม่เป็นสุขที่ไม่ได้นอนไม่หลับแต่ความจริงบุคคลที่เขากำลังถูกเราคิดว่าจะทำลายเขายังไม่รู้เขายังมีความอุนะ่นหนาเขามีความสุขกายสุขใจรื่นเริงบันเทิงใจแต่เราเองกับเกิดความไม่สมบายใจเกิดความร้อนใจไม่สมบายใจขึ้นมาความร้อนร้อนมันก็เผาใจ ถ้าหาว่าเราไปทำร้ายเขาได้จริงๆเราจะปลอดภัยหรือมันก็ไม่แน่เมื่อบุคคลนั้นเขาถูกฆ่าตายเขาญาติของเขายังมีเพื่อนของเขายังมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายยังมีคงจะไม่ปล่อยให้เราลอยรอยนวลไปไปอย่างมีความสุข นี่เป็นอนุว่าความโกรธความยำบยัดเป็นปัจจัยเกิดศัตรูเป็นแนวทางนํามาซึ่งความเล่เราร้อนเราไม่ต้องการเมื่อเราไม่ต้องการเราก็เข้าไปหันเข้าไปใช้พรมีหารสีแทนเป็นการบรรเทาความพยาบามนี่ข้อต่อไปท่านบอกว่าลัม ร, ริในอันที่จะไม่เบียดเบียนเราคิดไม่สมัยว่าขึ้นชื่อว่าการเบียดเบียนเขามันเป็นขอไม่ดี สูเรามาคิดการช่วยสงเคราะห์ดีกว่าเบียดเบินเขาเป็นการสร้างศัตรูสร้างความเล่าร้อนถ้าเราสงเคราะห์เขาเราก็มีความสุขเราเป็นที่รักของคนที่ควรรับการสงเคราะห์เราก็มีความสมบายกายสบายใจอยาไปที่ไหนก็มีความสุขมีเพื่อนมากหาศัตรูไม่ได้นี่เป็นอันว่าความดีอันนี้เราต้องทํา ขอทีสามต้องกล่าวว่าสัมมาวาจาเจนจาชอบเว้นจากวาจีทุจริตสิเรกันคือไม่กล่าวคำ ม, มุสาวาดได้แก่วาจาที่ไม่จริงไม่ใช่วาจาส่อเสียดยุยงส่งเสริมให้เขาแตกแ้วกันไม่ใช่วาจาหยาบคายที่เป็นเครื่องเสรันใจ ไม่ใช้วาจาที่ไร้ประโยชน์คือพูดแล้วไม่มีประโยชน์ที่เรียกว่าเพ้อเจอเหลวไหลอันนี้ถ้าเราทำได้ก็เป็นบใ จ, จของความสุขใจพย่อมเป็นที่ททรักของผู้คนผู้สนับก็ดีสีดึงกล่าวว่าสมารกรรมตะทำการงานชอบคือเว้นาการทุจริตได้อาการทุจริตทางกาย ว่วโกงงานเขาเขาใช้ใทํางานหนึ่งวันแล้วใช้ก็จะให้ใช้แรงงานว่าเธอต้องทําวันละสามกิโลทำน้ําหนักให้ได้ล้วก็โกงแรงงานแล้วทำไม่ถึงบ้างเรื่องพุชจริตทางกายแต่ก่อนนี่กายจะพุชจริตใจมันก็พุชจริตก่อนเพาใจมันสั่งแล้วก็ไม่กล่าววาจาที่ไร้ความจริงคือพุชจริตทางวาจา ถาจะผู้กันจริงๆก็เรียกว่าการงานที่เราทําทุกอย่างจงเป็นการงานที่ไม่มีโทษถ้าเป็นลูกจ้างเขาก็ทํางานตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งนายจ้างสั่งให้ทําอย่างไหนถ้าไม่เกินความสามารถเราทํำทำนั้นตอนนี้เพราะอะไรเพราะว่าเงินเดือนของที่เราจะรับเขาให้เต็มงานเราก็ทํางานของเราให้เต็ม ก็ตอนถือว่างานชิ้นนั้นเป็นงานของเราไม่ใช่งานคนเอจ้างตั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราจะได้เงินค่าจ้างเพราะการทํางานเในบริการหนึ่งการงานที่ชอบกระไม้ความกิดการงานทุกอย่างังที่เราจะสร้างมันขึ้นก็ต้องทำตาประเภ์ที่บอกว่าไม่เป็นการเบียดเบียนตนและเบียดเบียนบุคคลอื่นการเบียดเบียนตนมองยาก อาเบียดเบียนคนอื่นก็แล้วกันคืออย่าลุกที่อย่าลุกทางจอโกงเงินอย่าโกงทองเขาจะทําการทุจริตคิดไม่ชอบการงานที่เราเราทํำจงอย่าเอาชีวิตของบุคคลอื่นมาเข้ามาเรียงชีวิตเราอย่าขโมยทรัพย์สินของบุคคลอื่นมาเอาว่าเป็นทรัพย์สินของเรา และก็จงอย่าใช้ความรักนอกประเภทที่เรียกว่ายื้อแย่งทำลายความรักของบุคคลอื่นคนรักเขาบุคคลอื่นอย่าใช้วาจาเป็นเหตุทำลายความสุขของบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตัวอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าการงานชอบมันก็เป็นลงกับไปสัมมาวายามะเขาอีกมันก็ต้องเมืองถึงกัน ตอนนี้มักที่หาท่านบอกว่าสัมมาชีวะเรี้ยงชีวิตชอบคือเลี้ยงชีคือท่านบอกว่าเว้นจากการเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดแบบไหนแล้วมันถึงจะผิดก <c oughs> <c oughs> ็แบบที่เราหาความสุขใส่ตัวเราแต่ว่าเอาความทุกข์ไปให้คนอื่นแบบไหนก็ได้แบบฆ่าสัตว์มาเลี้ยงตัว โมเมบอกว่าสัตว์เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์นี่ตั้งกันขึ้นมาเองเท่านั้นถ้าสัตว์ทุกตัวมันก็ต้องการเกิดมาไปอาหารของมนุษย์เวลาเห็นมนมุษย์เข้ามันก็ต้องวิ่งมาหาให้กินมันนี่ความจริงสัตว์ทุกประเภทก็มีความรักชีวิตขณะที่เราจะเข้าไปจับมันมันวิ่งหนี ถ้าเราคิดอย่างนั้นว่าสัตว์เป็นอาหารของบุคคลก็ผิดอย่างนี้ที่ว่าเลี้ยงชีวิตในทางที่ไม่ชอบมีการเระกรอบชีวประประกอบกิจการงานเพื่อทรงชีวิตอยู่ให้เป็นบริความซื่อสัตย์สุจริตไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดประเพณีไม่ผิดกฎหมายรวมทั้งสีร่รายการนี้ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วน แต่อย่าหากินดูก่อนว่า น, นี่ละเมิดศีลหรือเปล่าถ้าเป็นการละเมิดศีลเราไม่ทำถ้าไม่ละเมิดศีลเป็นการละเมิดกฎหมายหรือเปล่าถ้าเป็นการละเมิดกฎหมายเราไม่ทำถ้าหากไม่ละเมิดกฎหมายแต่ว่าละเมิดประเพณีหรือเปล่า ถ้าละเมิดประเพณีเราก็ไม่ทําถ้าไม่ละเมิดประเพณีขัดต่อว่าทำคําสั่งสอนเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าขัดจะกลับพว่าทำคําสั่งสอนเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ไม่ไปขอบทำแปลเจนที่เรียกว่าไม่ขัดต่อศีลไม่ขัดต่อธรรมไม่ขัดต่อกฎหมายของบ้านเมืองและก็ไม่ขัดต่อประเพณีนิยม อย่างนี้เรียกว่าสัมมาชีวะเรียชีวิตชอบนี่สำหรับมรรคข้อที่หกนี่ก็สัมมาวายามะมีความเพียรชอบทน่รวมความเพียรละความชั่วประพฤติความดีเพราะในแก่เพียรคิดไว้เสมอว่าเราจะต้องตายก่อนจะตายเมื่อเราเป็นคนก็ต้องเป็นคนดี เมื่อเป็นผีเราก็จะต้องเป็นผีดีคนดีก็คือมีความเคารพในคุณพระรัตนไตรมีศีลห้าบริสุทธิ์แล้วก็มีการให้ทานเป็นปกติไม่เบียดเบียนของคนอื่นไม่เมาในชีวิตจริงเกินไปนีอย่างนี้เรียกมีความเพียรชอบเหียดต่อสู้กับอุบสรรัทุกอย่างที่จะขัดขวางในระหว่างที่เราทำความดี <c oughs> ถ้ะเป็นแบบไหนเป็นพระเป็ น, นเนก็ดูพระธรรมวินยัยครบถ้วนนักศึกษาสัจธรรมคือคำสอนของข อ, องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเกิดมีอธิศินศรรสิขามีสินบริสุทธิ์ยิ่งอธิจิตสิขาส่งสมาธิให้ส่งตัว อาธิปัญญาสิขาใช้ปัญญาพิจารณาทำให้รู้เท่าตามความเป็นจริงของขันห้าไม่มัวเมาขันห้าเป็นสาคัญอย่างนี้เรียกว่ามีความเพียรชอบนี่มักที่เจติงกล่าวว่าสัมมาสติระลึกชอบในแบบท่านบอกระลึกถึงมหาสติปทานนาซีแต่นี่เราพูดกันเรื่องพระโสดาบัน แล้วก็นึกไว้เสมอ ว, ว่าหนึ่งเราจะต้องมีความตายแน่ไม่สา ม, มารถจะหลีกเลี่ยงความตายไปได้สองเราคิดถึงความดีของพระ ร, ร, รัตนตรัยทั้งสามรายการคือพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังขรัตนะเนิว่าพุทธานุส ต, ติธรรมานุส ต, ติสังขานุส ต, ติแปลนุส ต, ติทั้งสามราการ ในสามเรานึกถึงศีลทุสิขาหมดก็หนดไวว่าเราจะไม่ยอมละเมิดศีลเดขาดตามหลักการของพระโสดาบันแปดสัมมาส ม, มาธิตั้งใจไว้ชอบนี่หมายความว่าตั้งใจไว้ว่าอารมณ์ใดที่องค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศาสันดาสสัมมาสมเด็จเจ้าสงสน ในแนวทางที่บุคคลยังเข้าถึงความเป็นประโสงดาบันอารมณ์นั้นจะไม่ยอมให้ฆ่าจ่าจิตของเราใช้ใช้จิตคิดพิจารณาไว้เสมอระมัดระวังไว้เสมอมีอะไรบ้างล่ะหนึ่งนึกถึงความตายเป็นอารมณ์สองนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงประสงค์นึกถึงสีให้บริสุทธิ์ แล้วก็นึกถึงอุปสมานุสตินึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ว่าความเกิดเป็นทุกอย่างนี้เราไม่มีความต้องการความเกิดมันอีกถือว่าความเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายสาหรับเราต่อไปขึ้นชื่อว่าความเกิดเพื่อแก่ความเกิดเพื่อความป่วยไข้ไม่สมบายความเกิดเพื่อการทลาพาจากของรักของชอบใจเกิดมาเพื่อตายจะไม่มีสาหรับเรา อารมณ์ของเราตั้งไว้โดยเฉพาะอย่างเดียวคือพระณิธานนี่ลบรรดาท่านประโยชนาวิจารทั้งหลายคำปฏิบายเพื่อประสดาบันแต่ว่ากันไปว่ากันมาจัวเลี้วลงจุดสามจุดคือมรณานุสติกรมาทันพุทธานุสติกมาทันธรรมานุสติกมาทันสังขานุสติกรมาทัน ศีลลานุสติกรรมฐานใจคาณุสติกรรมฐานและก็อุปสมานุสติกรรมฐานเพียงเท่านี้ต่างว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททรงได้ท่านก็เป็นประสดาบันสำหรับวันนี้มองโดยลาบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเวลาหมดสิ้นแล้วการที่จะพูดกันแต่ความจริงพูดมากเกินไปตัวไรประโยชน์จำไม่ได้ ขอยมันดาพระโยคาวาจรทั้งหลายพยายามทรงกำลังใจไว้ในลักษณะข้อมักแบบไปเรืยการให้ทรงอยู่ในกำลังจิตของท่านตลอดกาลตลอดสมัยผลที่ท่านแะพึงได้นั่นก็คืออริยมรรคอริยผลตามมีองสมเด็จประทศพลบรมศาสัญดาทรงแนะนําไว้แล้วต่อที่นี้ไปขอมรดาทุกท่าน ทรงกำลังใจให้เป็นปกติจะนั่งอยู่ในลักษณะไหนก็ได้จะนอนอยู่ในลักษณะไหนก็ได้หรือจะเดินจงกรมก็ได้เดินจงกรมก็คิดไปตามนี้หรือว่าจะยืนเฉยๆก็ได้ตามอธัธยาศัยจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี